ตรงนี้เราเป็นเหตุทำให้ตนเองไม่สามารถจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ในขณะที่ฟังพระธรรมประการสุดท้ายที่ห้าคือตั้งโยนิโสนี่ความเป็นผู้ฉลาดคิดไว้ตลอดเวลากระตุต้นความคิดตลอดเวลาในขณะที่ฟังเนี่ยต้องต้องคิดตลอดคิดตามเนื้อหาของพระธรรมตลอดอย่าปล่อยให้จิตนั้นมันตก ในขณะที่กำลังคิดเป็นไปตามกับพระธรรมนั่นแหละตอนนั้นแหละนั่นเขาเรียกการปฏิบัติธรรมกำลังเดินไปอยู่นะลองสังเกตดูไหมว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมมันอันเดียวกันนะบุญเนี่ยทานคือการให้ใช่ศีลคือการควบคุมกายวาจาให้สงบ ทำจิตใจให้ชื่นบานภาวนาก็คือการสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยทำจิตให้สงบตั้งมั่นแล้วทำปัญญาให้เกิดขึ้นอปจายนะคือการประพฤติธรรมตนอ่อนน้อมวัยา ว, จาวัจจควนขวายในการประพฤติประโยชน์ปฏิทานะคือการให้ส่วนบุญปัตตานุโมทนาคือการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมสวรร คือการฟังพระธรรมธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมแล้วทิศถูกชุกรรมไปรวมตรงไหนไปรวมการทําความเห็นให้ตรงตอนนี้ทุกท่านกําลังมานั่งปฏิบททัติธรรมอามากําลังมานั่งปฏิบัติธรรมด้วยการแสดงธรรมผู้แสดงก็ต้องหนึ่งแสดงให้เป็นไปตามลําดับเป็นต้นยกเหตุผลตามลําดับ แล้วผู้แสดงต้องวางใจให้เป็นด้วยถ้าผู้แสดงธรรมบอกว่าเมื่อเราแสดงธรรมพ่อพระธรรมเป็นธรรมที่ดีใช่ไหมลูกเมื่อแสดงธรรมเนี่ยในขณะที่กำลังแสดงธรรมเป็นไปตามลาดับเมื่อคิดว่าถ้าแสดงธรรมนี้จบแล้วขอให้ผู้ฟังจงศรัทธาในเราอันนี้ตั้งจิตอย่างนี้ธรรมะของวิสูจเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์นะก็เป็นบาปอีก ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มากันนะที่นี้ต่างฝ่ายต่างก็มาเจริญกุศลกันให้เต็มที่อย่าปล่อยให้เวลานี้ผ่านไปโดยการที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวกุศลหรือเก็บเกี่ยวบุญถ้าอย่างนั้นมันจะเสียประโยชน์ที่จะพูดก่อนในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพจิตใจว่าสภาพจิตใจของคนทุกวันเนี่ย เป็นสภาพจิตใจที่ดูแลยากเป็นสภาพจิตใจที่ดูแลยากเพราะเป็นจิตใจที่ไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ฝึกขัดไม่ได้อบรมนะเอาถ้าเราดูคนทางโลกคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม้ในขณะเดินแม้ในขณะกินแม้ในขณะที่นอนเป็นต้นเขาเรียกคนวิกลจริตเขาเรียกคนวิกลจริตนะ เช่นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรลักษณะอย่างนี้เขาจึงแล้วก็เป็นคนวิกลจริตประการต่อมาก็คือคนวิกลจริตนั้นบังคับจิตของตนเองไม่ได้ย่อมไม่สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นได้เลยใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นเยอะในยุคปัจจุบันเนี่ยคนวิกลจริตเนี่ยมีมากเพราะจิตของเขาซัดสายไม่อยู่นิ่ง เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไปดูในสถานโรงพยาบาโลโรคจิตเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยว่าคนบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทําประโยชน์ตนเองไม่ได้แล้วและก็ประโยชน์ส่วนบุคคลอื่นก็ไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> แม้เพียงชั่วขณะรับประทานอาหารเขาอาจจะคว้าจานอาหารแล้วก็เดินไปที่อื่นอย่างไร้สติเมื่อไรก็ได้นั่นคือคนวิกลจริต ฉะนั้นลักษณะของคนวิกลจริตเนี่ยเขาจัดว่าเป็นคนไร้ค่าโดยแท้ไร้ค่าโดยแท้แต่เมื่อได้หมอดีนะคนประเภทนี้นะเขาได้หมอดีได้ยาดีแล้วเนี่ยรักษาถูกต้องที่สุดจริงเขาก็สามารถมีใจที่ตั้งมั่นทำหน้าที่ของตนและทำหน้าที่ของบุคคลอื่นได้ตามปกติ เช่นเดียวกันคนปกติทางโลกนี้หากไม่ได้อบรมจิตให้ตั้งมั่นถ้าเขาไม่ได้ทีนี้ประการต่อมาคืออย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนปกติทางโลกนี่เนะี่ยคนปกติทางโลกคนปกติทางโลกเนี่ยถ้าไม่ได้อบรมจิตในทางด้านของฌานากิจและปัญญากิจคือกิจในการที่ทำจิตให้สงบ กิตในการที่จะทำใจตนเองให้เป็นไปกับปัญญาถ้าไม่ได้อบรมนะอยางละเอียดสุขุมรุ่มลึกก็คล้ายกับคนวิกลจริตนั่นทางโลกนั่นแหละที่บังคับจิตตนเองไม่ได้นั่นแหละเท่นในขณะที่ฟังพระธรรมจิตก็ไม่อยู่กับการฟังแล้วทัดสายไปทางอื่นตลอดเวลาฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเวลาสวดมนต์ สวดได้แต่ปากแต่ใจมันไม่ไปอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณาสัมปันโนเป็นต้นเนี่ยสวดได้แต่ใจไม่น้อมไปกับคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าสภาพจิตนั้นวิกลจริตนะสภาพจิตนั้นวิกลจริตนะไม่มีความสุขไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้ ก็จะคิดถึงอารมณ์อื่นที่นอกไปจากพระพุทธคุณที่นอกไปจากพระธรรมคุณที่นอกไปจากพระสังฆคุณจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็หดหู่ทีนี้ก็ไม่สามารถบางกลุ่มฟุ้งซ่านมากจำอะไรไม่ได้เลยสาธยายอะไรไม่ได้สักบทเลยอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะที่ห้องก็ไม่ได้จะว่าแต่คิดในคุณของพระเจ้าเลย คิดแค่ตับเดียวก็ไม่ได้มันไปทางอื่นหมดเลยนี่ลักษณะอย่างนี้ ค, ค, คือสภาพจิตนั้นอยู่ในอาการที่ย่ำแย่นะฉะนั้นจึงจัดว่าบุคคลเนี่ยทั่วไปเนี่ยที่ไม่สามารถอบรมจิตของตนเองได้เนี่นะในสมาธิภาวนาคือทำจิตให้เป็นสมาธิและก็ปัญญาภาวนาในการที่จะรอบรู้เข้าใจ กระแสของชีวิตและโลกตามความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าจิตไม่สงบนะไม่เคยฝึกหัดจิตจากการจากการที่จะทำจิตให้ตนเองให้สงบจากการระลึกถึงทานกุศลระลึกถึงศีลกุศล น, นะเป็นต้นนะยาวว่าแต่นิพพานมรรคผลนิพพานที่จะไม่ได้เลย แม้สุขติพบหลังตายก็ได้ยากเข้าใจคำนี้ไหมเพราะเป็นผู้มีปกติจิตใจที่ฟุ้งซ่านเนืองนี้อย่าว่าแต่จะไปหวังนิพพานเลยนะหวังการพ้นทุกเลยเอาแค่สุขติหลังตายเนี่ยก็ได้ยากแล้วเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ดูแลจิตทุกตนเองไม่ได้มันซัดสายอยู่ตลอดเวลานะน่าคิดไหมให้คิดให้ดีนะ ว่าเราเป็นผู้ที่มีปกติเนี่ยสภาพจิตใจนั้นน่ะอยู่ในสภาพที่มีความตั้งมั่นหรือไม่ในขณะที่เราประกอบในทานกุศลศีลกุศลหรือการทำกิจในชีวิตจริงเนี่ยเป็นผู้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเลยคุณของพระรัตนตรยัยไหมคนที่บังคับเท้าตนเองไม่ได้นะคนที่บังคับเท้าตนเองไม่ได้เนี่ย เราจะประสบความาสําเร็จหิ้ที่การงานโดยเท้านั้นจะประสบความสําเร็จหน้าที่อการงานโดยเท้าเขาสำเร็จไม่ได้เพราะเขาบังคับเท้าไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่คนที่บังคับเท้าของตนเองไม่ได้เลยอ่ะเห็นเห็นไหมหลายต่อหลายคนเนี่ยแล้วเขาจะทําเขาจะประสบความสําเร็จในกิจการงานที่เนื่องโดยเท้าได้ไหมนั่นก็ไม่ได้คนที่สํา บังคับมือดูแลควบคุมมืองตนเองไม่ได้ก็ไม่สามารถสําเร็จจิตอันเนื่องด้วยมือไม่ได้คนที่ไม่สามารถควบคุมปากและลิ้นตนเองเนีไม่สามารถจะควบคุมได้เนี่ยก็ไม่สามารถสําเร็จจิตประสบความสําเร็จในหน้าในเกี่ยวกันในเรื่องของปากและลิ้นได้คนที่ควบคุมอบรมจิตไม่ได้ย่อมยากที่จะประสบความสําเร็จอันเนื่องด้วยจิต เห็นไหมคนบังคับเท้าไม่ได้จะสำเร็จจิตในเรื่องของเท้าไม่ได้คนที่บังคับดูแลควบคุมมือไม่ได้ก็จะสำเร็จจิตการงานที่เรื่องในมือก็ไม่ได้คนที่ไม่สามารถบังคับปากและลิ้นได้ก็ไม่สามารถจะสำเร็จจิตอันเนื่องโดยปากและลิ้นได้และคนที่ดูแลจิตควบคุมจิตไม่ได้ประครับประคองจิตไม่ได้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะทาให้จิตสงบได้ ถ้าสังเกตดูเรานั่งฟังพระธรรมเนี่ยถ้าเราดูแลจิตไม่ได้แป๊บเดียวมันจะหลับมันจะหลับนะหรือไม่อย่างนั้นก็ฟุง้งอันนี้เราจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการดูแลจิตเพราะเราไม่สามารถที่จะอบรมจิตหรือว่าให้ให้ตั้งมั่นได้ตักทารต่อมาก็คือว่าการเจริญในเรื่องของทานศีลภาวนาที่ถูกต้อง การเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องเนี่ยผูุู้ชนทั่วไปผู้อบรมจิตไม่ได้จึงยากที่จะเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้ถูกต้องได้ต้องใช้คำว่าจิงยากนะมันได้แต่รูปแบบมันได้ใช้รูปแบบแต่การที่จะสามารถเข้าถึงตัวเนื้อ ของทานกุศลเนื้อของศีลกุศลและเนื้อของภาวนากุศลได้อย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายดังนจึงต้องมีความตั้งใจค่อนข้างสูงทีนี้บุตรชนตัวไปผู้อบรมจิตไม่ได้ก็ยากที่จะเจริญภาวนาทั้งหลายในระดับของท า, งานศีลภาวนาให้สําเร็จได้แต่อาจจะกระทาไปตามรูปแบบเท่านั้นทําตามรูปแบบได้หมด ให้ทานสามารถไปซื้อของมาบริจาคให้พระได้สร้างโบสถ์ได้สร้างศาลาการปะเรียนได้ไปปฏิบัติตามเขาก็เดินประพฤติปฏิบัติดูเหมือนรูปแบบทําได้หมดแต่มันได้แค่รูปแบบแต่เป็นผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านไปวันวันเออเจอไปวันวันเท่านั้นเองก็ลองดูนึกถึงตนเองนะอย่าไปนึกถึงคนอื่นนะในวันนี้ที่เรามาเนี่ยพระก็นึกถึงตนเองโยมก็ต้องนึกถึงตนเอง ขัดเราแก้ไขปรับปรุงโดยเองใหม่ทีนี้นายเรือนายเรือที่ไม่ฉลาดนายเรือที่ไม่ฉลาดในการพายเรือบรรทุกทับสสามภาระเนี่ยก็จะถูกกระแสน้ําเชี่ยวพัดพาไปในแม่น้ําไม่อาจจะพบเจอหมู่บ้านนิคมและฝั่งในยามราตรีเพราะอะไรเพราะถูกความมืดปิดบังเขาไว้แม้ในยามกลางวัน จะเพาะเห็นหมู่บ้านนิคม ก, ก็ได้แต่ก็ได้แต่มัวชื่นชมไม่อาจจะนําเรือเข้าเทียบฝั่งได้เพราะไม่ชํานาญในการที่จะพายเรือนะั้นในที่สุดจริงก็เลยพายเรือล่องลอยเข้าไปในมหาสมุทรใหญ่ประการต่อมาก็คือว่า น, า, นายเรือที่ไม่ฉลาดคนพายเรือที่ไม่ฉลาดคนบังคับเรือที่ไม่ฉลาดเวลาพายเรือไปนี่นะก็จะเจอหมู่ป่าเขาลำเนาใครเ ย, ยอะหมดเลยในท้องข้างทางเทียบฝั่งไม่ได้ มันเป็นแต่ป่าเป็นแต่เขาเอาพอออกไปถึงหมู่บ้านมืดอีกมองไม่เห็นฝั่งอีกจอดไม่ได้อีกก็สว่างไปเห็นหมู่บ้านเห็นเมืองต่างๆแทนที่จะทาจิตในตนเองในการที่เอาเรือเข้าเทียบฝั่งไม่เทียบอีกมัวแต่ชื่นชมว่าบ้านนั้นสวยบ้านนี้งามเมืองนั้นสวยเมืองนี้งามที่สุดจริงๆน้ำด้วยด้วยความไม่ฉลาดของตอนเองไงก็พาเรือลำนั้นอ่ะ ล่องลอยปุ๊บปปป๊บปบไปแล้วก็เข้าทะเลหลวงแล้วเขาจะเห็นฝั่งไหมเห็นฝั่งไม่เห็นไม่เห็นแล้วสังสารวัตเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาในสังสารวัตสามารถระลึกเบื้องต้นได้ไหมกระแสชีวิตของเราที่ผ่านมากว่าจะมานั่งฟังธรรมนาวันนี้เรารู้ไหมว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างนึกออกไหมเมื่อชาติที่แล้ว เมื่อชาติที่ผ่านมาเราเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉะนั้นสังสารวัตรทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยที่เรียกว่าโอคาเนี่ยเหมือนกับเม่น้ำในตัวสังสารวัตรนี่นะตัวโอคาเนี่ยกามโมคาไอโอค า, าคือการยึดติดในกาโมาพูไอคิถโขคาเนี่ยโอคาคือไอตัวมิจฉาทิชีความเห็นผิดโอคาเนี่ยโอคาก็คือพบ อวิโชค้าก็คือความมืดบอดของจิตฉะ้สิ่งต่างๆตรงเนี้โอค้าทั้งหลายเนี่ยนะก็คือสังสารวัตเป็นเหมือนกับแม่น้ำไอ้ตัวสังสารวัตรเนี่ยมันเหมือนไอ้ตัวสังสารวัตก็คือโอค้าก็เหมือนกับทะเลใหญ่นี่เละนี่เราเดินกันมาอย่างร่องรอยไปทีประการต่อมากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายในยของสัตว์ทุกประเภทเนี่ยก็ขันห้าเนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเรือที่บรรทุกสัมภาระที่เต็มเนี่ยพวกเราบรรทุกเปนเต็มหมดเนี่เนี่ย มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีไตมีหัวใจมีตับมีปอดมีไส้ใหญ่ไส้น้อยมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีมันสรมองมีดีมีเสลิดมีหนองมีเลือดมีเหงื่อมันข้นน้ําตาเปรียวมันใช่ไหมลูกก็มีไฟที่ยางกายอบอุ่นเป็นต้นแล้วก็มีลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ําเป็นต้นเป็นไปตามลําดับแล้วก็มีกลุ่มนาำมาทำ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันนี้ก็คือเรือที่บรรทุกทัพสัมภาระที่เต็มตอนนี้กําลังแบกกันเต็มอยู่นี่ก็คือเรือเนี่ยเนี่ยเราแบกกันอยู่เนี่ยเรือกระแสะชีวิตของคนทุกคนของพวกเราสัตว์ทุกประเภทที่นั่งยืนเดินนอนกันอยู่เนี่ยบุรุษชนเหมือนนายเรือผู้ไม่ชํานาญในการพายเรือเราเป็นบุรุษชนอยู่ไหม เราเป็นเหมือนนายเรือที่ไม่ชำนาญในการภายเรือไม่มีความชำนาญเลยเพราะเราไม่รู้ไม่รู้เส้นทางไม่รู้ท่าจอดตอนนี้เรือลำนี้มันเดินมาแล้วมันล่องมาแล้วการเที่ยวไปในสังสารวัรที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นถ้าใช้คำว่าเที่ยวเนี่ยมันความเจ็บปวดเนี่ยในย่อมนะ การเวียน่หยตายเกิดในยุคที่ไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเป็นเหมือนแม่น้ำช่วงที่มีแต่เขาและป่าไม่มีฝั่ง้องช่วยกันคิดนะที่เราไม่เคยเจอพระพุทธศาสนาไม่เคยเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเหมือนกับการ นายเรือคนนั้นพายเรือไปตามแม่น้ำที่ไม่มีท่าเพราะมันมีแต่ภูเขามีแต่ป่ามืดไหมมันเป็นความมืดบอดมากๆพิกกระแสชีวิตที่มันหมุนไปแบบไหลล่องรอยเนี่ยมันไม่รู้จะขึ้นฝั่งยังไงไม่รู้มันจะจอดยังไงเพราะมันหาฝั่งไม่เจอเพราะมันมืดการไม่เห็นฝั่งในยามราตรีเพราะออกจากป่าเขาเนะี เบี็เมันมืดมาถึงหมู่บ้านจริงมาถึงเมืองจริงแต่มันถึงเวลาที่มืดแล้วยามราตรีแล้วมันไม่มีแสงสว่างเรือไปสู่มหาสมุทรเนี่ยเหมือนกับคนนอกวพุทธศาสนาที่พบกับโทษแปดประการ ไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่ทันพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ยอมไปเป็นสัตว์นรกอยู่พุทธเจ้ากบัติเกิดขึ้นบดีทันนะตอนนั้นน่ะได้รับแสงสว่างสะเทือนด้วยตอนที่ประสูตตรัสรู้เนี่ยสะเทือนไปถึงด้วยเวทีก็ถึงแล้วรู้เรื่องไหมรู้ไม่รู้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านพุทธเจ้ากบัตฏเกิดขึ้นแล้วรู้เรื่องไหมไเห็นไหมไปเกิดเป็นเปรต พระเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นบางทีเห็นพระเจ้าด้วยสัตว์ราชานก็เห็นด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกระสีซอให้ให้วัวให้ควายฟังเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องก้อนมืดไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์ราชานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรากายไ้เกิดบนอสัญญาสัตพรม ไม่รู้เรื่องอีกไม่มีตาหูจมูกลิ้นไม่มีใจอ่ะแต่เกิดในอรูปภูมิไม่มีรู ป, ปรัขั์ฟังธรรมไม่ได้อีกที่หนักไปกว่า น, นั้นไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปปฏิเสธพระพุทธเจ้าอีกอันเนี้ยเกิดทันพระพุทธเจ้าแต่มันมืดอะไรเป็นตัวมืดโมหะ โมหะที่มันปิดกระแสจิตทำให้ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไงถามว่าเราอุบัติเกิดขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเราร้องเรียกชื่อพระพุทธเจ้ากันไหมเรามาจากคนมืดนะเรามาจากคนมืดนะเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้ากว่าจะมารู้จักก็มารู้จักแบบเเบาๆพ่อแม่พาไปวัด แต่ก็ไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้เชื่อมั่นอะไรมากมายเนะยแมู้่ทุกวันเนี้ความความคิดถึงพระพุทธเจ้ายัางน้อยนะน้อยกว่าการคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องบุคคลอื่นนะการไม่เห็นฝั่งในยามราตรีเนะี่ยประการต่อมานะการพบหมู่บ้านใช่ไหมการพบหมู่บ้านนิคมเจอเมืองในกลางวันแล้วได้แต่ชื่นชม ไม่อาจนำเรือที่ไปเทียบฝั่งหรือไปจอดฝั่งได้เนี่ยเพราะขาดความชำนาญจึงล่องลอยไปในหมหาสมุทรเหมือนกับชาวพุทธทั่วๆไปไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงไม่ได้สามารถที่จะเอาทานกุศลศีลกุศลเอามาเจริญเป็นภาวนากุศลได้ หรือไม่สามารถเอาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เอามาเจริญเป็นภาวนาให้เกิดขึ้นสืบต่อให้เจริญยิ่งยิ่งในกระแสจิตใจของตนเองได้ทั้งไม่ได้อบรมจิตจึงไม่ได้อาดบรรลุสมถยานสมถยานคือจิตที่เข้าสงบเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงจึงไม่ได้บรรลุวิปสนาญาณคือปัญญาที่รู้ เห็นและเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมัคขยานผลยานคือการบรรลุและไม่สามารถบรรลุพระนิพพานเขาเหล่านั้นเป็นเพียงผู้เลื่อมใสในพร a t h n a t r a สร้างพระพุทธรูปสร้างศาลาการปรีเียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ทานสร้างตรง น, นั้นตรงนี้อุปถัมป์ปัจจัยสี่ถ้าเป็นพระก็เป็นพระสามัญเป็นพระวินวิชาการแล้วที่สุดจริงๆก็ล่องลอยไปสู่มหาสมุทร ก็คือสังสารวัตรอันยาวไกลเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยจะได้มาสำรวจตัวเองถูกว่าเออเราอยู่จุดไหนเราอยู่จุดไหนก็มองให้ชัดพบทวนตรงนี้นิดนึงว่าเออเป็นยังไงกระแสะชีวิตของเราเหมือนอะไรนะตอนนี้กำลังแบกขันห้าอยู่แบกตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นะให้สังสารวัตรเนี่ย พิจารณานี้เราจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เราเราเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาบอกว่าเราสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับการบรรทุกสัมภาระที่เต็มและตอนนี้เราบรรทุกแล้วแบกแบกรูปะขันแบกเวทนาขันแบกสัญญาขันแบกสังขารละขันแบกวิญญาณขันแบกตาแบกหูแบกจมูกแบกลิ้นแบกกายแบกใจจิตใจของเราก็เต็มได้ภาระเต็มได้สัมภาระ ลองคิดดูนะว่าจิตของเราไม่สงบนะในขณะที่ฟังธรรมในใครสามารถตั้งมั่นฟังได้อย่างต่อเนื่องไหมปิดอารมณ์ภายนอกได้ไหมเล่าถ้าคนเขาฉลาดจริงเนี่ยเขาปิดหมดนะสมมติว่าถ้าอาม า, มาแสดงธรรมเดี๋ยมาเปิดเปิดโทรศัพท์นะอามาก็เปิดโทรศัพท์คอยรับไปด้วยเคยฟังไปด้วยเคยคิดเรื่องอื่นด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกผู้แสดงธรรมฟุ้งซ่านเข้าใจใช่ไหมตัดอารมณ์ภายนอกไม่เป็นไง มัวเป็นห่วงคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าต้องการอยากจะให้พวกเราเออตอนนี้เรากำลังแบกขันข้าเนี่ยผู้ชนเหมือนกับนายเรือที่ไม่ชำนาญเนี่ยในการภายเรือตอนนี้เราชนานาญไหมในการที่จะสามารถนาพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าล่องเข้าลอยเราชนานาญไหมไม่ชนานาญเนียนะ การต่อมาก็คือการเที่ยวไปในสังสารวัตที่ไม่พบพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอยู่ล่องเรือไปใ น, ในป่าเขาลเนาภัยพูดนี้จริงๆแล้วโยมพูดอย่างนี้โยมนึกสลดใจไหมนึกสลดใจตัวเองไหมการไม่เห็นฝั่งในยามราตรีเพราะมันเข้ามามันมืดออกจากป่าได้แล้วนะแต่เข้าหมู่บ้านเข้าเมืองแล้วก็จริงอยู่แต่มันมืดซะก่อนเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางชาติเนี่ยเราไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยอ คนทูลเจอด้วยนะบริษัทเดอาชานเนะี่ยแต่ไม่รู้เรื่องจะรู้ได้งไงเราคนละภาษาแล้วเป็นเปรตอย่างเงี้ยเป็นอหิทตุกาศาสตร์อีกเป็นคนพิการบ้าบ้าบอดหนวกอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์กับเขาเหมือนกันนะจะเป็นคนพิการบ้าบ้าบอดหนวกไม่สามารถมีปัญญาเงี้ยเจอพระเจ้าไม่เจอคนขอทานเจอพระเจ้าเยอะแยะนะแต่ไม่ได้ไประโยชน์ทีนี้เราก็มาดูเราตอนนี้สิตอนนี้เราเจอพระเจ้าไหม เจอพระธรรมของท่านตอนนี้ทันพระธรรมของท่านทีนี้การเห็นฝั่งนี่นะการพบหมู่บ้านชาวนิครมต่างๆตอนเวลากลางวันไปเสร็จเต็มัวชื่นชมเราอยู่กลุ่มนี้ไหมชื่นชมโอ้พระเจ้าดีจริงๆพระธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ดีจริง ๆ, ง ๆ, งงๆโอ้เราต้องทําบุญเราต้องสร้างศาลากา ร, รเรียนเราต้องสร้างโบสถ์ต้องสร้างวิหารแต่ก็ได้เพียงแค่ชื่นชมนั่นแหละเรียบขอบสะอยู่นั่นแหละ ไม่เคยได้รับรสชาติของการได้สมถียานวิปัสสนาญาณเป็นต้นเลยไม่ได้รับความสุขจากการที่เข้ามาเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลจริงๆเลยอันนี้คือกลุ่มอยู่วงนอกแล้วมัวแต่ชื่นชมเราอยู่กลุ่มนี้ไหมถ้ามาเป็นพระก็เป็นเพียงแค่พระสา ม, มัญที่เป็นพระนักวิชาการกล่าวว่าทำได้อะไรได้เนี่ย แต่ไม่รับความสุขจากการที่เข้ามาเจริญศีลภาวนาหรือมาเจริญสิกขาสามเดินตามรอยบาทของพระชินเจ้าเลยเอามาก็กลายเป็นผู้ชื่นชมกลายเป็นผู้ชื่นชมเราก็เป็นบริษัทที่ชื่นชมไงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่มัวแต่ชื่นชมฉะนั้นตรงนี้ที่พูดตรงนี้ให้ฟังก็คือว่าต้องการที่จะให้เราให้ชาวพูดเนี่ยนะ หรือเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ใช้เวลาในการที่จะรู้จักพระตนาไตรให้ถ่องแท้แล้วจะได้มีการฝึก ข, ขัดขัดเราแล้วก็จะได้มีการวางใจของตนเองนั้นให้เข้าถึงความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระตนตไัยลําดับแรกเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะแนบแน่นในคุณงบพรตนาไตรต้องรู้จักพระตนาไตรใช่ไหม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแรงกระตุ้นภายในเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นศัพท์ทางการเขาเรียกว่าอิทธิเนี่ยเหตุ น, นี่นะถ้ามองในชั้นของคําสอนเนี่ยเขาเรียกว่าทําเครื่องให้ถึงอิทธิหรือทําที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จถามว่าตอนเนี้ยเราสามารถให้จิตของเราเนี่ยเข้าถึงความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้นั้นแปลว่าเรายังไม่ได้ประชมุมหรือยังไม่ได้ประสบเหตุที่เข้าถึงความสำเร็จได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆตัว น, นี้ก็ต้องพยายามในการที่จะทำจิตของตอนเองนั้นให้มีความตั้งมั่นในการที่จะเข้าถึงคุณของพระราชนตรได